ได้มีพระพุทธภาษิตตรัสอธิบายถึงคำวันโลกโดยพยัญชนะคือถ้อยคำอันส่องถึงอัถฐคือเนื้อความว่ารุจเตติโลโกโล สิ่งใดจำรุดสุดโทมสิ่งนั้นชื่อวันโลกหรือว่าชื่อวันโลกเพราะเป็นสิ่งที่จำรุดสุดโทรมฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่มีความชำรุดสุดโทรมสิ่งนั้น ในชื่อวันโลกและโลกที่เป็นภายในที่ตรัสสอนก็คือขันธโลกโลกคือขันหาหรือนามรูปกายใจอันนี้ อันขันห้าหรือนามารูปยำ่ำเป็นทุกโดยสภาพคือโดยภาวะของตนเป็นทุกก็คือ ตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ต้องแปรเปลี่ยนแปลงไปโดยที่มีชาติความเกิดเป็นเบื้องตน้นมีชราคือความชงรุดสุดส้มไปในธรรมกลางมีมรณะคือความตายในที่สุด ชารามรณะคือว่าเป็นสภาพหรือเป็นสภาวะคือเป็นภาวะของตนคือของขันท่าเอง ชาติก็เป็นสภาวะคือเป็นความเกิดขึ้นมาด้วยเหตุปัจจัยของตนเองและเมื่อมีชาติคือความเกิดขึ้นมาเป็นขันห้าเป็นนามรูป ก็ต้องมีชาราคือความแก่ความเก่าความจำรุดทุตโสมซึ่งก็เป็นสภาวะคือเป็นภาวะของตอนเองที่ต้องเป็นไปและในที่สุดก็มีมรณะคือความตายคือความแตกสลายซึ่งก็เป็นสภาวะ คือเป็นภาวะเป็นความเป็นของตนเองคำว่าสภาวะหรือสภาพบางทีก็พูดกันว่าเป็นสภาพธรรมดาคือธรรมดานั้นก็เป็นสภาพ ที่ปรากฏเป็นภาวะคือความมีความเป็นเป็นความมีความเป็นอย่างนั้นเป็นความมีความเป็นอย่างนี้เช่นที่เรียกว่าธรรมชาติธรรมดาต่างๆเช่นที่ปรากฏ เป็นกลางวันเป็นกลางคืนเป็นฝนตกเป็นแดดออกซึ่งก็เป็นภาวะคือเป็นความมีความเป็นอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งถ้าไม่ใช่ภาวะคือไม่ เป็นความมีความเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ปรากฏเป็นกลางวันไม่ปรากฏเป็นกลางคืนไม่ปรากฏเป็นฝนตกไม่ปรากฏเป็นแดดออกแต่ที่ปรากฏขึ้นมาเป็นไปดังกล่าวก็คือเป็นภาวะ เป็นความมีเป็นความเป็นขึ้นมาอย่างไดอย่างหนึง่งและความมีความเป็นที่ปรากฏขึ้นมานั้นเป็นไปตามเหตุปัจจัยของตนเองซึ่งเป็นธรรมชาติธรรมดา เพราะว่าอันมีอันความมีความเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นจะต้องมีเหตุมีปัจจัยเช่นว่าเหตุที่ทําให้เป็นกลางคืนเหตุที่ทําให้เป็นกลางวันเหตุที่ทําให้ฝนตกเหตุที่ทาให้แดดออกต้องมีเหตุมีปัจจัย แต่ไว้เหตุปัจจัยนั่นเป็นเหตุปัจจัยของตนเองเราะฉะนัึงเรียกว่าสภาพดังที่เรียกกันว่าสภาพธรรมดาหรือสภาพดินฟ้าอากาศแต่ถ้าเป็นสิ่งที่เป็นภาวะเหมือนกัน คือเป็นความมีความเป็นเช่นเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาต่างๆอันเป็นสิ่งที่สัตว์มุคคลทำขึ้นไม่เรียกว่าสภาพแต่เรียกว่าภาวะเฉยๆ เช่นความวุ่นวายต่างๆที่มูคนก่อขึ้นเรียกว่าภาวะไม่ปกติภาวะที่รุนแรงไม่เรียกว่าเป็นสภาพไม่ปกติสภาพที่รุนแรง เรียกว่าภาวะเฉยๆเพราะว่ามุคคลเกาอขึ้นมาไม่ใช่เป็นไปตามเหตุปัจจัยของตนเองแต่ว่าถ้าเป็นไปตามเหตุปัจจัยของตนเองเช่นบหเืนดินไหวที่ให้ผลเสียหายรุนแรง ก็เรียกได้ว่าเป็นสภาพที่รุนแรงเราเป็นไปตามเหตุปัจจัยของตนเองคนไม่ได้ไปทำขึ้นเพราะว่าอันภาวะต่างๆที่เป็นตัวสภาพดังกล่าวนั้นย่อมมีเหตุปัจจัย เห็นฝนตกก็ต้องมีเหตุปัจจัยเมื่อบุคคลมีความรู้ถึงเหตุปัจจัยให้ฝนตกจึงอาจที่จะประกอบกระทาเหตุปัจจัยให้ฝนตกขึ้นได้และทำให้ฝนตกได้ หลังนี้ก็เรียกว่าเอาเหตุปัจจัยของธรรมชาติธรรมดาที่เป็นไปตามภาวะของตนเองนั่นแหละมาใช้แล้วก็ใช้ได้แต่สิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้ก็ควรจะเรียกว่าเป็นภาวะได้ หรือว่าเรียกตามที่มาว่าอันที่จริงก็ไม่ใช่ว่าบุคคลทำขึ้นเองแต่ว่ารู้วิธีเนียนํำเอาวิธีการนั้นมาใช้เท่านั้นก็อาจจะรวมอยู่ในคำว่าสภาพได้แต่เมื่อมุ่งถึงเป็นการที่คนทำขึ้นก็เรียกว่าภาวะเฉยๆสำหรับในลักษณะเช่นนั้น จับเข้ามาถึงสภาวะของโลกภายในคือนามาูปนี้เราจะเรียกว่าขันธ์โลกอันนี้ของทุกๆคนก็มีสภาพที่ปรากฏเป็นชาติความเกิดชะาความแก่มรณะความตาย และเมื่อเป็นดังนี้ก็ต้องมีจุติคือความเคลื่อนจากกาเลวะ ร, ร่างกายที่เป็นศพหรือที่ตายไปอุปบัติที่แปลว่าเข้าถึงกาเลวะคือร่างใหม่ ก็เป็นชาติคือความเกิดขึ้นมาอีกแล้วก็เป็นความแก่เป็นความตายแล้วก็เป็นความเกิดขึ้นมาอีกดังนี้ตราบเท่าที่ยังมีสมุทัยคือเหตุเกิดแห่งสภาวะทั้งปวงดังกล่าวนั้น พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้โลกภายในนี้ด้วยประการทั้งปวงได้ตรัสรู้โดยสภาพคือโดยสภาวะทุกมีชาติความเกิดเป็นต้นและโดยปกิณกะทุก ทุกทางจิตต่างๆมีโสกะปริเทวะเป็นต้นรวมเข้าก็คือว่าขันเป็นที่ยึดถือทั้ง5าคือนามารูปนี้เป็นอันว่ดในตรัสรู้โดยสภาพแล้วก็ตรัสรู้ถึงเหตุเกิดดังที่ตรัสสอนว่าตัณหาความนิ่นนทยันอยาก เป็นไปในกามก็เป็นกา ม, มาตัณหาเป็นไปในภพก็เป็นภาวะตัณหาเป็นไปในวิภพไม่เป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นวิภาวะตัณหาก็เป็นอันว่าได้ตรัสรู้โลกทั้งปวงในด้านเกิดโลกคือเกิดทุกข์และก็ได้ตรัสรู้ โลกในด้านดับดับโลกก็คือดับตัญหาความเรินรนทยานยากและเมื่อดับตัญหาซึ่งเป็นตัวสมุทยได้ก็ดับชาติดับชาราเป็นต้นเป็นอันดับสภาวะทุกข์ และได้ตรัสรู้ถึงอุบายคือทางปฏิบัติเข้าถึงความดับโลกดังที่ตรัสสอนไว้ก็คือมักมีองค์แปดมีสมาธิที่ความเห็นชอบเป็นต้นมีสมาสมาธิความตั้งใจชอบเป็นที่สุดรวมเข้ากับเป็นไตรสิกขาคือศีสมาธิปัญญา เป็นนิโรธโบายคือเป็นทางเป็นวิธีปฏิบัติให้เข้าถึงความดับโลกและเมื่อดับโลกคือดับตันหาได้ก็เป็นอันวันดับสภาวะที่ปรากฏเป็นชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตาย ไม่ต้องมีจุดติคือความเคลื่อนไม่ต้องมีอุปบัติคือเข้าถึงชาติพบใหม่กันต่อไปดฉะนั้นก็เป็นอันว่าได้ถึงที่สุดโลกและก็ถึงที่สุดทุกไปพร้อมกันฉะนั้นตราบใดที่ยังมีโลกโดยสภาพคือต้องมีเกิดมีแก่มีตายก็ต้องมี จุติคือเคลื่อนอุปบัติคือเข้าถึงชาติพบใหม่ก็เป็นอันว่ายังไม่ถึงที่สุดโลกยังวนเวียนอยู่ในโลกแต่เมื่อดับตัณหาได้ด้วยปฏิบัติในมรรคมีองแปดสมบูรณ์จึงจะดับโลกได้ก็ถึงที่สุดโลกถึงที่สุดทุกไปพร้อมกัน เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงลงจึงทรงเป็นโลกวิทโทภูรูโลกต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติ อบรมจิตในเบื้องตน้นก็ขอให้ทุกๆ ท, ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิประภาคอรหันต์ตสมาสมาสมุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรม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 โลกวิทูผูรูโลกได้แสดงประพุทธคุณบทนี้ครั้งหนึ่งแล้วโดยอธิบายที่พระอาจารย์ ได้นำเอาพระพุทธพจน์ที่ตรัสไว้ว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงรู้จักโลกรู้จักเหตุเกิดโลกรู้จักความดับโลกรู้จักทางปฏิบัติ ให้ถึงความดับโลกจึงทรงได้พระนามว่าโลกวิทูผู้รู้โลกอีกอย่างหนึ่งพระอาจารย์ได้อธิบายว่าพระพุทธเจ้า ได้ทรงรู้สังขาระโลกโลกคือสังขารสัตวตะโลกหรือสัตวโลกโลกคือหมู่สัตว์และโอกาสโลกโลกคือโอกาส อันได้แก่พื้นพิภพอีกอย่างหนึ่งเรียงโอกาสโลกไว้เป็นที่หนึ่งสังขารโลกไว้เป็นที่สองสัตวโลกหรือตัตตะวโลกไว้เป็นที่สาม จะได้แสดงอธิบายโดยนับโอกาสโลกโลกคือโอกาสอันได้แก่พื้นปิภพเป็นอันดับที่หนึ่งอัน โอกาสโลกโลกคือโอกาสอันได้แก่พื้นผิพบนี้ท่านใช้คำว่าโอกาสซึ่งตามพยัญชนะก็แปลว่า เ ป, ปเป็นที่ที่ไถได้หรือว่าขีดได้ที่แปลว่าเป็นที่ที่ไถได้นั้นก็โดยที่มีมูลธาตุของศัพท์ เช่นเดียวกับคำว่ากสิในคำว่ากสิกรรมที่ว่าการงานคือการไถอันหมายถึงการทำนาและคำว่าโอกาส ก็เป็นาธาตุอันเดียวกันกับกสิกรรมนั่นแหละคือเป็นที่ที่ไถได้ขีดได้โดยที่เป็นพื้นแผ่นดินเป็นวัตถุตรงกันข้ามกับคำว่าโอกาส ตรงกันข้ามกับคำว่าอากาศที่แปลกันว่าช่องว่างตามพยัญชนะก็แปลว่าเป็นที่ที่ไถไม่ได้ขีดไม่ได้เหมือนดัง ในอากาศที่รู้จักกันจะขีดอะไรในอากาศให้ปรากฏเป็นรอยก็ขีดไม่ได้จะไถวานอะไรในอากาศก็ไม่ได้เราเป็นช่องว่างส่วนคำว่าโอกาสนี้ เป็นที่ที่ไถหวานได้ดังเป็นพื้นแผ่นดินเป็นที่ไถหวานเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นคือของโลกโดยใช้คำว่าโอกาสสโลกโลกคือโอกาส จึงหมายถึงพื้นผิวภพที่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ส่องสว่างปรากฏอยู่นี้ทั้งหมดก็รวมเรียกว่าโอกาสโลกพระพุทธเจ้า ได้ทรงรู้โอกาสโลกโลกคือพื้นีิพด้วยความรู้โดยสามัญดังที่ได้เสด็จจาริกไปสู่ รัฐสู่คามนิคมชนบทนั้นนั้นอันเป็นที่ตั้งของเมืองของบ้านนั้นนั้นและได้ทรงรู้ โอกาสโลกโดยเป็นธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งเป็นส่วนใหญ่อันเป็นที่ก็เกิดขึ้นของสังขารทั้งหลาย และแม่พื้นไปพบที่ปรากฏแก่ตาหูเป็นต้นที่เรียกว่าเป็นธาตุดินน้ำไฟลมสำหรับพิจารณาในทางกรรมฐานก็คงเป็นสังขาร คือเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งอยู่นั่นเองแต่ก็ต้องมีส่วนที่เป็นธาตุแท้ของส่วนสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นส่วนละเอียดพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้โอกาสโลก ทรงรู้จักโอกาสโลกคือพื้นพิพภพทั้งโดยสามัญทั้งโดยพิเศษอย่างยิ่งคือโดยเป็นธาตุอย่างแท้จริงและ พระองค์ตรัสรู้ด้วยความรู้ที่พากออกจากสิ่งที่รู้คือไม่ยึดถืออยู่ในสิ่งที่รู้โดยเป็นเราเป็นของเรา แต่เป็นความรู้ที่พากออกเพราะฉะนั้นจึงทรงรู้จักแต่ว่าไม่ติดไม่ยึดจึงไม่เป็นโลกิยะหรือโลกี ที่แปลว่ายึดอยู่กับโลกเกี่ยวอยู่กับโลกแต่เป็นโล ก, กุตรระอยู่เหนือโลกคือรู้และพากออกได้พ้นได้ไม่ติดไม่ยึดสังขารและโลกโลกคือสังขาร อันได้แก่สิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหลายก็ได้แก่ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างตลอดจนถึงหมูสัตว์ซึ่งประกอบขึ้นด้วยธาตุทั้งหลาย จากพื้นผิบนี้มาเป็นสิ่งนั้นมาเป็นสิ่งนี้